ครับสวัสดีครับท่านจางครับครับครับสวัสดีท่านจางครับสวัสดีครับตั้งใจสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับครับครับสวัสดีครับปีใหม่มีอะไรที่จะฝางให้คุฟังโดยครับครับผมปีใหม่ก็ไม่มีอะไรครับจาย์ครับ ไม่มีอะไรใหม่ไม่มอะไรใหม่ร่างกายก็มีแต่เก่าขึ้นไม่มีใหม่ใช่ครับมีแต่เก่าชับชริตาครับอะไรนะเดี๋ยวชราชัดชริตาผลสิหัตปาทานัตสวาเนี่นะครับก็ยิ่งอายุมากขึ้นออะไรอ่ะเือว่าอายุเพิ่มขึ้นชีวิตก็น้อยลงน้อยลงครับ พระพุทธเจา้า ไ, ได้อายุเพิ่มขึ้น่ชีวิตก็น้อยลงแตพระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนมือนกับวัวที่เขาโจงไปสู่ตะแคงๆใช่ไหมที่ข้าครับที่ข่ามันก็ไกลย้ยิ่งเดินก้าวไปทุกก้าวก็แสดงว่าชีวิตก็สั่นลงกับกายที่าเข้าไปทุกอย่างเขาครับครับ ทีนี้เรื่องความตายเนี่ยบางคนก็อาจารย์บางคนก็กแม่ไม่อยากพูดถึงเลยบอกอาจารย์อย่าพูดไม่ดีหรือมันหดหูจะทํายังไงดีว่าให้ผู้ฟังเนี่ยฟังความตายแล้วควรเลาะได้เรือก็ยังคิดไม่เป็นนะครับยังคิดไม่เป็นถ้าคิดเป็นก็พอพูดถึงความตายก็สบายใจครัแต่ว่ามารณสติใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าท่านสอนให้นึกถึงความตายทุกวัน เต็งเท่ากวันวันละหลายหลายครั้งนะครับไม่ใช่วันละครั้งวันละครั้งนี่ถือว่าประมาทแล้วนยังประมาทอยู่ครับวันละหลายหลครั้งคนมีอายุมากนี่เกิดว่าบอกว่าคนนี้มีอายุมากเป็นไม่ชอบนะท่านอาจารย์ครับเพราครับอกเอนี่แหมอายุต้องมากนะคนนี่ไม่ชอบเมื่อ่อนนี้เขาเรียกคนแก่ใช่ไหมครับว่าคนแก่นี่ไม่ชอบนี่เขาเรียกผู้สูงอายุครับูสแต่ว่าถ้าอวยพรให้อายุยืนในชอบะครับ เจตวิทยาฝรั่งเขาเรียกว่าตั้งชื่อหมาให้เพราะครับสุญยากฝรั่งเขาเรียกตั้งชื่อสุนัขให้เพราะครับก็เท่านั้นแหละแก้เก็บมันจะชื่อเพราะอย่างไรมันก็เป็นสุนัขมันก็เป็นหมาใช่ไแก้แต่ว่าตั้งชื่อให้มันเพราะเข้าอ่ะชื่อไิมมี่ไอ้บ๊อบบี้อะไรต่อไรมันก็มันก็หมานะมันก็คือหมา ก็นึกถึงความตายทุกวันนะดีครับครับดีเราไม่เหมือนกับเราใกล้ชิดกับสิ่งใดมันก็คุ้นกับสิ่งนั้นเขาเป็นกันเองเป็นกันเองกับมันเจอก็ไม่ตกใจอ่าเป็นกันเองกับความพัดพลาดความสูญเสียความตายความเจ็บข้อที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเนืองๆใช่ไหมครับครัอภินาปัจจเวิเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บทายเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดา ดีความผัดสสกจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดามานะรณะทรโ ม, มหิเอวังอนาะทีโตใช่ครับอือก็ท่านพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาเนืองเนือ ง, องบ่อยๆอย่างเหล่านี้นะฮะครับอันนี้แต่ว่าทาไมชาวพุทธจริง อ, อ่คิดว่าพุดถึงความตายแล้วก็ไม่ดีแสดงว่าเรายังเป็นพุทธยังไม่เต็มที่ก็ยั ง, งยังเข้าไม่ถึงเนื้อหาครับ ยังเข้าไม่ถึงเนื้อหาของพุทธนะครับก็ก็ควรจะต้องเข้าให้ถึงเนื้อหาของพุทธผมอาจจะนำอาจารย์เขลืไปไม่ทราบว่าอาจารย์วันนี้ท่านใจจะพูดเรื่องอะไรครับเขาไม่เคลืครับอาจารย์เรื่องเรื่องดีครับเข้าห ล, เ, ลเรื่องดีครับเป็นเรื่องที่ควรพูดนะอครั บ, พบพเป็นคาถาวัตถุเรื่องที่ควรพูดใช่ครับทีนี้ก็ท่าท่าหมดเรื่องตรงนี้นะครับก็ ต่อเรื่องข่าวก่อนนิดหนึ่งกับจานนะเรื่องที่เราพูดกันถึงเรื่องสังสา ร, รวัตรนะครับคสังสา ร, รวัตรก็มีทีวินิดฉายกันอยู่ที่วันก่อนนี้ครับจันนะคว่าว่าเป็นยังไงกันแน่ผมก็ได้มาดูเพิ่มเติมมาคนหา <ลง S 1> อะไรที่นิดนหน่อยมีที่ที่สุดหรือไม่มีที่ทีส่สุดอะไรหรือเคยที่สุดเบื้องต้นอะไรเนี่ย ค, ครับ ก็ อ, อติษฐาท่านก็ก็ก็กอธิบายเหมือนกันท่านครับอนั ม, นนมสักโคย่างสังสาโลปปากภาปกตินปัญ ญ, ญาญติใช่ไมครับ<ะ>สังสาโลกครับคือปุปปโ ก, กตินปัญญาญติคำนี้นะฮ ะ, ะท่านก็ท่านก็อธิบายเป็นที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏเขตแดนเบื้องต้นไม่ปรากฏ ทานก็พูดเป็นเขตแดนเบื้องต้นไม่ปรากฏปุริมะมาริยาดานดิสติแปะ ว, ว่าเขตแดนเบื้องต้นไม่ปรากฏ <c oughs> ครับเฉพาะคํานี้นะฮะคเฉพาะคํานี้ท่านก็อธิบายออกมาเป็นว่าเขตแดนเบื้องต้นไม่ปรากฏอทีนี้ปุพารโกติเนี่ยนะฮะหน้าปัญญายติเนี่ยฮะ ท่านขยายความออกมาเป็นปุริมะมาริยาดานะดิสติอันนี้เขตแดนแปลว่าเขตแดนเบื้องต้นไม่ปรากฏทีนี้ก็ลองดูในมิลินทปัญหาท่านก็พูดถึงถึงแต่เงื่อนต้นไม่ได้พูดถึงเงื่อนปลายพูดถึงแต่เงื่อนต้นแต่ว่าผมขอตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับคือ ตำราเล่มเนี้ผมอ่านานานแล้วทีนี้ผมบันทึกไว้ตอนท้ายของของหน้าเนี้ว่าสำหรับสำหรับผู้ไม่มีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายที่สุดเบื้องปลายก็ไม่ปรากฏด้วยแต่สำหรับผู้มีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายที่สุดเบื้องปลายก็เป็นนิพพานแต่ที่สุดเบื้องต้นนั้นไม่ปรากฏ อันนี้นี่เป็นในเพียงบันทึกตอนที่อ่านสำหรับผู้ไม่มีนิพานเป็นที่หมายอ่าสําหรับสัตว์ผู้ไม่มีนิพานเป็นจุดมุ่งหมายเป็นจุดมุ่งหมายที่สุดก็ไม่ปรากฏที่สุดเปลืองปลายก็ไม่ปรากฏด้วยอืมนี่เป็นความเห็นของท่านอาจารย์า่าใช่ครับเป็นบันทึกที่ตอนอ่านครั้งแรกนะครับก็มาเปิดดูก็มีอโน้ตมีอะไรต่ออะไระอยู่ในในหน้าหนังสือ นี่ ก, ก, ก็ก็น่าจะตรงกับที่ข้าง้นที่ท่านบอกว่าสำหรับสัตว์ที่ผู้ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตนาเป็นเครื่อง้อยรัดก็ไม่ไม่ไม่มีเบื้องตนไม่มีเบื้องปลายอะไรทานองนั้นนะฮ ะ, ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายก็น่าจะมี ที่สุดเบื้องปลายคือนิพพานทีนี้ปัญหาต่อไปว่าปัญหาต่อไปว่านิพพานกับสังสารวัฏมันเข้าเข้ากันได้หรือเปล่าเป็นอย่างไรนะฮะคือว่าจะต้องออกจากสังสารวัฏแล้วเข้านิพพานหรือว่าไม่ต้องอันนี้ถ้าพิจารณาตามเนื้อหาธรรมะนะครับ เ, เมื่อเมื่อเมื่อสังสารวัฏหรือเมื่อวัฏจัสิ้นสุดลงอวิวัฏจัหรือนิพพานก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ปรากฏขึ้นตรงนั้นคือว่ า, าไม่เหมือนกับว่าเราจะต้องเดินจากออกจากสังสารวัฏแล้วไปไปสู่ไปสู่นิพพานหรือไปสู่วิวัตแต่ว่ามันจะปรากฏขึ้นตรงนั้น เหมือนกับความมืดกับความสว่างนะครับอาจรับครับคือว่ามันอยู่ที่เดียวกันไม่มีรอยต่อครับอพอพอแสงสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็หายไปหรือว่าความสกปรกกับความสะอาดมันอยู่ที่เดียวกันครับแต่ว่าถ้าเผื่อยังมีความสกปรกอยู่ความสะอาดก็ไม่ปรากฏพอเรา อกวาดล้างสิ่งโสโปรกออกหมดแล้วความสะอาดก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นคมันก็จานโสโปรกนะครับครับ<ะ>พอล้างล้างล้างแล้วเช็ดแล้วความสะอาดก็ปรากฏขึ้นเหมือนกับวความหิวกับความอิ่มก็อยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดียวกันความหิวก็อยู่ที่กระเพาะนั่นแหละครับความอิ่มก็อยู่ที่กระเพาะออนั่นแหละถ้าอิ่มก็ไม่หิวครับถ้าหิวก็ไม่อิ่มครับคำคำเปรียบเทียบของอาจารย์ก็เพิ Laur ่มขึ้นดีครับครับดี อหรือว่าความไม่ว่างกับความว่างเหมือนอย่างในห้องหนึ่งที่มันมีของวางเกะกะอยู่เต็มไปหมดเลยก็แล้ว่าไม่ว่างทีนี้พอยกของออกหมดแล้วความว่างก็ปรากฏขึ้นก็ก็ว่างก็ในที่เดียวกันมีทั้งความว่างและความไม่ว่างมีทั้งความว่างและความไม่ว่างทีนี้มามองดูในจิตกิเลสมันอยู่ที่จิต ทีนี้พอกวาดล้างกิเลสให้หมดไปได้เท่าไหร่ความสะอาดของจิตก็มีมากขึ้นเท่านั้นพอพอกวาดกิเลสออกไปได้หมดความสะอาดก็ของจิตก็ปรากฏเต็มที่นะครับเราเป็นความสะอาดก็อยู่ที่จิตนั่นเองอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้น ถ้าตามในายานนี้ไม่ไม่มีการไม่มีการออกจากสังสารวัตแต่ว่ามันเป็นสำนวนถ้าพูดว่าออกจากสังสารวัตก็เป็นเพียงสำนวนเป็นาภาษาอุปมารหรือว่ามอพูดให้เห็นเป็นเ e อร์ n i น i c ฟิเคชันนะครับค่ะคือว่า บุคลาทิฐานทำให้เห็นเป็นเป็นภาพพจน์นะฮะโดยว่าเป็นภาพพดเหมือนหนังสือในรุ่นหลังที่ชอบพูดว่าข้าวสู่เมืองแก้วกล่าวกล่าวแล้วคือพระนิพานครับ<ะ>คอยคอยเค ย, ค ย, คยว่าเคว่าเป็นเมืองพนิพานเป็นเมืองแต่ความจริงไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นิพานก็คือความสิ้นไปของกิเลสนั่นเอง แต่ว่าเวลาเวลาเป็นสัมโนนเทศหรือสันวนเอรุ่นหลังก็มักจะใช้คำนั้นมาเข้าสู่เมืองแก้วเก่าแล้วคืออมตะมหานริพานต์ของนี้นะฮะอันนี้หรือเปล่าที่จะเป็นเป็นสาเหตุให้เกิดอายตนะนิพานไปติดจุดต้มโนนนี้หรือเปล่าอาจจะอาจจะเป็นได้ครพยายามที่จะให้เป็นเมืองขึ้นมาให้เป็นเมืองขึ้นบุกกาให้เป็นเมืองให้เป็นแดนขึ้นมาครับ ที่นี้พูดถึงวัฏฐ์สังสารวัฏเนี่ยนะครับคําสังสารวัฏนี่เป็นคําที่เพิ่งมีรุ่นหลังนะครับถ้าบาลีเดิมในพระไตรปิฎกมีใช้คําว่าสังสาระอะคําเดียวสังสาโรนะสังสาโรเนี่ยนะครับคําเดียวหรือไม่เชนั้นก็อใช้คําว่าวัตะ าคําเดียววัตโกคําวัตะเนี่ยครับวัตตเนี่ยคําเดียวทีนี้เรามาต่อเข้าภายหลังในหนังสือรุ่นหลังๆวัตต์สงสารไปเลยอ่าคําเป็นวัตต์สงสารครับสังสารวัตสังสารวตสงสารหรือว่าสังสารวัตบางทีก็เป็นสังสารวัตบางทีก็เป็นวัตต์สงสารครับก็วันนี้วันนี้ก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์อข่าวสดนะอาจารย์หน้าสาม เขาก็เขียนเรื <saturated in> ่องวัตฐะวัฏฐะพระอาจารยอาจารย์ได้อ่านหรือเปล่าเขียนเรื่องวัตฐะแล้วเรื่องวัตฐะแต่เป็นการเมืองอแต่ว่าพูดถึงเรื่องการเมืองครับก็อกว่าอวัฏฐะคือวงจรวงจรของการปฏิวัติบอกว่าช่วงเนี้ยมาตกวงจรที่จะต้องมีการปฏิวัติเขาเขาไล่มาทั้งอาดีตมาเนี่ยนะฮร เราตอมีวงจรมาถึงปฏิวัติแล้วและครับพูดไปก็เดี๋ยวไม่ปัญหาดิวัตตะนครับเป็นวัตตะท้อทงนี้ก็น่าจะพอสนิทฐานไปอย่างนี้นะยกานครับครับผมสนิฐานวันนั้นอาจารย์สนิทก็กรุณา บอกว่าช่วยช่วยวินิจฉัยด้วยว่าจะเป็นอย่างไรก็เท่าที่คนได้หรือเท่าที่พอจะพูดได้ตอนนี้ก็ทีใ น, ในี้ในข้าราชกาอาจารย์ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นวัตตะหรือเปล่าฮะสายสายเกิดสายเกิดนั่นเป็นวัตตะเป็นวัตต ะ, ะใช่ไหมฮะ แต่สายดับนั้นเป็นวิวัตตะ ว, ว, วิวตัตตะสายดับมันเป็นนิโรธนะเป็นนิโรธนิโรธถวาตก็ตัววิชาปัญยาสังขาราสังขาปรปัญยานี่เป็นวัตะเป็นสายวัตะเป็นสายเกิดนะครับาดดสายสมุทรไสยวานพอมาถึงอสายดับสายดับเป็นนิโรธถวาตอันนี้มันก็เป็นวิวัตตะวิวัตตะ คำคำว่าวิวัตนี้ก็มาเป็นหนังสือรุ่นหลังเหมือนกันนะฮะคำเดิมไม่เคยเจอครับคำเดิมในพระไตรปิฎกก็พอมีแต่ว่าก็ทราบกันว่าเป็นเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นหลังที่มาเขียนขึ้นภายหลัง อ, อก็มีเช่นในในมหานิเทศในมหานิเทศในจุลนิเทศ เ, เล่มยี่สิบเก้าเล่มสามสิบซึ่งถือกันว่าเป็นคําอธิบายของ พระเทระนะครับเป็นคำอธิบายแต่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องใช้คำวิวัตจักสุขพูดถึงพระพุทธเจ้าเพราะท่านย ก, ยกธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งแล้วท่านจะอธิบายเจอนะครับแล้วก็ เ, เป็นคำสังสารวัตรก็มีฮนะแต่ว่าจะมีในหนังสือรุ่นหลัง ที่มีคำพูดอยู่คำพูดเน่้อที่พวกเราชอบพูดกันก็คือการข้ามร่วงข้ามพ้นวัตะฏรงสารครับอั น, นอันนี้ครับคือเราเราพูดตามหนังสือรุ่นหลักครับอ๋อนี่พูดตามหนังสือตามหนังสือรุ่นหลัก ค, ครั บ, รบแต่ว่าในในพระใจปิตกจะหาได้ยากมากนะครับคํานี้ท่านจะมีคําว่าสังสาระหรือไม่ฉะนั้นก็มีคําว่าวัตะ คำเดียวไม่ไม่มาอยู่ด้วยกั น, นไม่มาอยู่ด้วยกันครับไม่มาอยู่ด้วยกันอย่างที่พุทธอุทานที่บอกว่าอเนกชาติสังสารังอ่าใชครัสังสาระคําเดียวอ่าสังสาระอเนกชาติที่สังสารังสัญธาวิสังอนิพิสังนนัใช่ครับใช้สังสาระคําเดียวครับทีนี้อีกคำหนึ่งที่ใช้วัตตะคําเดียวเช่นวัตตูปัจเฉตูซึ่งเป็นเลยพจน์ของนิพานนะนะครับวตตูปัจเฉตูการตัดวัตตะ ัการตัดวัตตะนิทานนี่คือตัว ต, ตัดวัตตะทีนีนน้อย่างในในมาจูลนิเทศเล่มสามสิบขุตรกรนิกายจูลนิเทศเล่มสามสิบนี่ท่านท่าน ว, วิเคราะห์คํามาเหสีมาเหศีแปลว่าผู้แสวงหาคุณ น, นั้นยิ่งใหญ่นะฮะก็ให้คําว่ามหาโตสังสารวัฏจัดสรนี่ใช่คําสังสารวัฏอุดเฉทังเขเวสี เอศีขเขเวศีปริเยสีแล้วก็มาม ah e เป็นมาเฮศีครับเป็นผู้สแสวงหาการการสิ้นสูญของสังสารวัตรการการหมดสังสารวัตรตัดสังสารวัตรเหมือนกันสังสารวัตรเนี่ยครับใช้เหมือนกันที น, นี้ในมิลินทปัญหานะครับอย่างครับในมิลินทปัญหาก็เ อ, อท่านใช้คํานั่นเหมือนกันนะ เอเงื่อนต้นเหมือนกันไม่ไม่ใช่คำเงื่อนปลายไม่พูดถึงเงื่อนปลายครับพูดถึงแต่เงื่อนต้นอย่างเดียวที่ที่พระพระเจ้ามิลินจักถามว่ า, าพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ว่าเงื่อนต้นไม่ปรากฏนั้นอขอพระผู้เป็นเจ้าจรงอุปมาให้ฟังก็ อ, อ, อุปมาเหมือนที่อาจารย์พูดวันนั้นเนี่ยนะครับ อต้นไม้ไก่กับไข่ต้นไม้กับผลไม้อะไรซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเงินต้นอยู่ที่ไหนนะฮะไม่รู้ว่าเงินต้นอยู่ที่ไหนแต่ท่านไม่ได้พูดถึงเงินปลายครับไม่ได้พูดเรเรากินมะม่วงเขียวเถวยลูกเนี้ยับไม่รู้ว่าต้นกําเดิดต้นแรกมันอยู่ตรงไหนยังไงับไล่ไปก็ไม่เจอับไล่เงินต้นไปไม่เจออเ่อ แต่ว่าในที่สุดมันมันไอต้นไม้นี่มันก็เวียนว่ายตายเกิดไปตามภาษาของมันนั่นนะฮะมันเกิดแล้วก็มันก็มันก็เป็นเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยครับแล้วมันในที่สุดมันก็ตายฮะครับในที่สุดมันก็ต้องสิ้นสุดลงโดยที่หนึ่งมันต้นต้นมันตายแลสองไอลูกนั่นมันถ้ามันพัฒนาไปถึงที่สุดแล้วมันไม่มีเมล็ดเมล็ดมันจะรีบมันเพาะไม่ขึ้น คือมละกรเนี่ยจานะมะละกอที่มันดีที่สุดนี่ป่าออกมานี่ไม่มีไม่มีเมล็ดเลยไม่มีแคครับแล้วมันแต่ว่าลูกนั้นมันมันสิ้นสุดสิ้นสุดแหละไม่มีเกิดใหม่วิวัตตะแล้วถ้าพูดถึงภาษาง่ายๆคือวิวัตตะแล้ววิวัตตะลูกนี้เฉพาะลูกนั้นนะเฉพาะลูกนั้นครับเฉพาะลูกนั้นอ่าเรียกว่าพ้นไปแล้วพ้นจากวัตตะไปครับอสําหรับเรื่องนี้ก็คง ได้เท่านี้ครับอาจารย์ก็กวมความแล้วว่าสังสารวัตก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยปันหาที่สุดไม่ได้แค่ที่เื้อเรื่อเริ่มต้นเนี่ยภูพาโกติเนื่อนต้นเนี่ยะมันไม่รู้จะไปสาวไปอยู่ตรงไหนใช่ครับแต่ว่าเบื้องปลายถ้าไปถึงนิพพานแล้วมันก็สุดตรงที่นิพพานมันมีเบื้องไกลมันมีเบื้องลายที่จะไปสุดตรงนั้นได้ใช่ไหมครัครับคือถ้าบุคคลที่มีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายนะฮะก็จะไปถึงนิพพ<ส>าน ก็จะถือว่าเป็นเป็นที่สุดเบื้องปลายของสังสารวัตรอย่างกบบพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สั้างปฏิฐานว่าจะเป็นพุทธเจ้าสร้างประสมัยพระพุทธเจ้าชื่อพระนามว่าอะไรนะออพระเมธังกรใช่ไหมครับอครับพระมรรเมธังกรที่บังกรนะพระที่บังกรจนกระทั่งมาเอ บรรลุเป็นพระอรหันต์ทศมาสมพุเจ้าเนี่ก็เสียสงขขยกับรายสายกับถ้ามาที่ที่มาสุดตรงนี้อ่ามาสิ้นสุดลงตรงนี้แต่ว่าก่อนะพุทธเจ้าที่บังกรนี่ไม่รู้เท่าไหร่อาหาเงื่อาสาวไปไม่ได้สาวไปไม่ได้แล้วอไปไม่ได้ไปเจอแค่แค่ตรงนี้เองครับแต่ว่าเบื้องปลายเนี่ยมาเจอตรงนี้มามาอยู่ตรงนี้คมองเห็นชัดเลยคครรัับบ อก็ก็ขอก็วินิจใจไว้เท่านี้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสามสารวัตรแล้วมีอะไรจะเพิ่มเติมดังอื่นขึ้นมาใหม่ไหมฮะอาจารย์ทีนี้อเรื่องนี้ก็คงคงยุดตีไว้ตรงนี้ก่อนนะครับที่จะพูดเรื่องเรื่องโยนิโสมนสิการครับผมแต่นะก็วันนั้นค้างอยู่ครับการใช้โยนิโสมนสิการนวันนั้นก็เรื่ออาจารย์มีคุณแต่จะเข้าสายอคุณอุทัยไม่ทราบว่าจะพูดเรื่องสามธารวัตรหรือเปล่า ส่วนในคุณอุทยครับลองดูก็ได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับครอาจารย์ครับผมลูกศิษย์อาจารย์เองนะครับอ๋อฮะฮเอ่อพอดีผมตามมาตั้งแต่วันโน้นนะอาจารย์อ๋อครับเอานี่ความพอดีสมัยสมัยที่เรียนบัลรีนะอาจารย์ครับมันเคยมีปัญหาเรื่องศัพท์มันก่อนอาจารย์พูดถึงว่าศัพท์มันไม่มีว่าไม่มีจะครับแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องการแปลภูพาจาโอติจอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับครับเอ่อมันเคยมีปัญหาว่าศัพท์อันเนี้ย มันควรจะแปลว่ายังไงอย่างที่อาจารย์ตั้งตั้งข้อสงสัยวันนั้นเหมือนกันครับเคยมีการวิเคราะห์กันว่าคือไม่ต้องไม่มีว่าไม่มีจะก็คือว่าอันหนึ่งก็แปลว่าต้นอันหนึ่งก็แปลว่าปลายไปเป็นกรณีหนึ่งก็ก็คือว่าไอ้ไอ้นนไ อ, อ, อ, อ, อ้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องภาษาอาจารย์ก็อาจจ ะ, ะวิเคราะห์กันได้แต่ว่าเท่าที่ผมเองได้พบอันหนึ่งก็คือว่า มีเรื่องที่น่าคิดว่าเมื่อเมือม่อเมื่อพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านท่านท่านสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทครั้งแรกๆนั่นน่ะถ้าอานน์ท่านได้ฟังท่านก็บอกว่าเอะธรรมะนี่ง่ายจังว่างั้นปฏิจจสมุปบาทได้ง่ายขับง่ายจังวาง่างั้นทั้งทั้งที่เป็นเรื่องลึกซึ้งแต่ว่าข้าพระองค์ก็ฟังเป็นของง่ายๆว่างั้นทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอาอนน์อย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นว่างั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้ง แล้วก็ปรากฏเป็นของลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แล้วท่านตัดต่อไปว่ามูสัต์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันขอดกันยุ่งแต่ผมเองพยายามตีความมันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเบื้องต้นเบื้องใายของสังสารวัฏ ส, สังสาระมีอยู่แต่ว่าสำหรับสำหรับผู้ไม่รู้ มันก็เลยไม่ปรากฏอันนี้คือตันติภาษาก็คือว่าท่านใช้ภาษารัดกุมมากคือท่านไม่ใช้คําว่าไม่มีแต่ใช้คําว่าไม่ปรากฏคือไม่ปรากฏสําหรับผู้ไม่รู้อันนี้มันก็ถูกต้องนะสําหรับพวกเราผู้ทุชนเนี่ยครัับสำหรับพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะท่านรู้อยู่แล้วก็คือปรากฏเพราะฉะนั้นปกฏกับท่านอยู่แล้วแหละครับเพราะฉะนั้นที่ท่านพระอนุนท่านบอกว่าง่าย พุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าตัดอย่างนั้นเพราะพระน น, รนน น, น, น ย, ยังไม่ได้เป็นพระตอนนั้นเป็นโสดาบันอยู่ยังไม่ได้เป็นพระละหันครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปตรงกับที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกท่านท่านท่านใช้คําว่าอไม่มีต้นไม่มีปลายคือหมายความว่าทางบางระบางบางละที่เขามีคําว่า the the first cost คือมีมีเหตุเบื้องต้นแต่ว่าของพุทธศาสนาเนี่ย แ้กระทั่งอธิบายในสายของปฏิจจสมุปบาทก็ไม่มีต้นไม่มีปลายคือไม่ใช่ว่าเริ่มจากอวิชชาเกิดจากปัจจัยตรงไหนก็ได้เพราะอธิบายได้เป็นสองสายก็คือว่าในแง่ที่ท่านอาจารย์ว่าตอนต้นแล้วกับในแง่ของการอธิบายปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าไม่ต้องไปเริ่มต้นตรงไหนตรงพบตรงชาติอะไรก็ได้ครับกลับครับ เพราะนั้นกผมฝากเป็นเป็นข้อศึกษาที่ได้มาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับแม่ท่านขอบพระคุณคุณอุทัยมากครับขอบพระคุณมากครับบุญเย็นหรือเปล่าครับผมครับผมอุทัยบุญเย็นใช่ไหมครับผมครับครับครับครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยคุณอุทัยนะบุญเย็นก็ถือว่าเอาในี่พวกันที่สนใจกันอจริงๆนะฮะก็ถือว่าในในเรื่องไอ้ที่เราพูดกันที่ไม่ปรากฏนี่คือพูดในฐานะที่เราเป็นปุ้นิยม ครับไม่ใช่พูดในฐานะที่เป็นพระอรหันต์ครับถ้าพระอรหันต์เนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องมาพูดแล้วครับครับอ่าถ้าอย่างงั้นผมขอต่ออีกนิดหนึ่งอาจารย์ครับโอเคต่อยแล้วว่าต่อคือว่ามีในมิลินถ้าปัญหานี้ก็มีต่ออีกนิดหนึ่งครับพระพระเจ้าพระเจ้ามิลินทูลถามว่าที่ว่าเงื่นต้นไม่ปรากฏเงินต้นนั้นอะไรเงืนต้นอะไรนั้นอะไรอพระนักเกษม ทนลตอบว่าเงื่อนต้นนั้นคือการไกลที่เป็นอนดีตแต่นั้นก็จัดถามต่อไปว่าเงื่อนต้นไม่ปรากฏนั้นไม่ปรากฏทั้งหมดหรือก็จัดตอบว่าบางอย่างปรากฏอาทุนตอบว่าบางอย่างปรากฏบางอย่างไม่ปรากฏอย่างไหนปรากฏอย่างไหนไม่ปรากฏพระนาคเสณถวายประพรว่าในการก่อนนี้อาวิชชาไม่ได้มีแล้วโดยประการทั้งปวง เงื่อนต้นนั้นแหละไม่ปรากฏสิ่งใดยังไม่มีย่อมมีขึ้นที่มีแล้วก็กลับไม่มีเงื่อนต้นนั้นแหละปรากฏคือกิดท่านพูดถึงอวิชชาสิ่งก็สิ่งใดที่ยังไม่ไม่มีย่อมมีขึ้นที่มีแล้วกลับไม่มีเนี่ยพูดต่อไปเรื่อยๆนะฮะ <Okay. S 1> แต่ว่าเท่าความถึงอวิชชาที่คุณอุทัยอ้าง oh oh oh oh. ถึงเม่กี้นะฮะ okay. เดิมทีอาวิชาไม่ได้มีแล้วโดยประการทั้งปวงแต่ว่ามามีขึ้นภายหลังเพราะเพราะอาสวะเกิดอาวิชาจึงเกิดอันนี้ผมผมผ ม, ผมอธิบายตามแนวของภาษาดิบุตรนะฮะคราวนี้มีเหร็นถปนาหมดแล้วนะฮะว่าที่ว่ า, าในหลักของปฏิจจสมุปบาทไม่มี the first cost คือไ ม, มไม่มีไม่มีมูลการไม่มีตัวที่เป็นตัวต้น ยังว่าส่วนมากจะถือว่าอวิชชาเป็นตัวตนแต่ว่าถามต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาอันนี้เป็นคำอธิบายของพระสารีบุตรที่ว่าเมื่ออาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดเมื่ออาสวะดับอวิชชาจึงดับก็แปลว่าอวิชชานั้นไม่ใช่เป็นตัวตนมันมีอาสวะอีกทีหนึ่งเกิดจากอาสวะทีหนึ่งทีนี้ถามต่อไปว่าอาสวะเกิดจากอะไร ฮะก็ไปเริ่มที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงครับเรื่อยไปจนะครับแล้วก็เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานก็เรียกว่าพัฒน์นี่เป็นเหตุให้เกิดอาสะวะอ่าใช่ครับมันก็จะ เ, เวียนกันไปต่อไปอีกเดียวเขถามว่าพัฒน์เกิดเกิดมาได้อย่างไรอ่าถ้าจะไล่ไปอย่างนี้จะไล่ไปเรื่อยฮะไล่ไปอย่างนี้ครับครับอันนี้ขอเพิ่มเติมนะฮะครับผมขอเพิ่มเติมจากที่ อคุณอทัยได้ได้ได้ไดโทรเข้ามาสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีพื้นไม่มีพื้นน้อยอาจจะจับใจความอะไรไม่ได้ก็ถ้ามีเวลาก็ไปหาไปหาหนังสือปฏิเชสมบุบาตไปดที่หนังสือพุทธธรรมของพระเดชพระคุณพระทธรรมอมปดกก็เขียนไว้ชัดเจนเขียนไว้ค่อนข้างจะชัดเจ น, นนะฮะสาหรับท่านที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะฮะเรื่อง เรื่องขังสารวัตรเรื่องปฏิชธธงบับาทเนี่ยนะครับอคราวนี้ก็อข อ, ข อ, ข, อขอจ้อนกลับมาพูดเรื่องโยนิโสมนิาัสติการใช้โยนิโสมนัสติการนะครั บ, รบที่พูดค้างเอาไว้เมื่อวันเพอหัสที่แล้วครั บ, รบมันเกี่ยวกับเรื่องการใช้ความคิดอันกรัปกครั บ, รบตรงนี้ผมจะขอเพิ่ม ความคิดอันตรายสามประเภทความคิดอันตรายนะครับสามประเภทเพื่อจะให้ง่ายขึ้นมาหน่อยคือว่าพูดยากมาตลอดชั่วโมงครับตั้งแต่ตั้งแต่คาถาวัตถุแล้วตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่จะชํานาญมาตัะแต่คถาวัตถุครับา็นี้ผมจะขอให้ง่ายสักสิบนาทีสิบห้านาทีนะครับความคิดอันตรายสามประเภทหนึ่งไม่มองดู ไม่พูดถึงความผิดของตนเองไม่มองดูอไม่มองดูไม่พูดถึงความผิดของตนเองคอยมองดูคอยพูดถึงแต่ความผิดพลาดของคนอื่ออันนี้ความคิดอันตรายประการที่หนึ่งนะครับในครอบครัวที่ไม่พูดถึงความผิดของตนเองครับพูดถึงกับคอยมองดูคอยพูดถึงแต่ความผิดพลาดของคนอื่น ในในครอบครัวที่มีที่มีปัญหาพ่อแม่ลูกก็ก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครั บ, รบหรือว่าในที่ทำงานในที่อะไรก็เหมือนกันถ้าเื่อว่ า, ามีแต่คนที่ไม่มองดูไม่พูดถึงความผิดของตนเองบ้างคอยมองดูคอยพูดถึงแต่ความผิดพลาดของคนอื่นก็จะก็จะมีปัญหาเป็นอันตรายชอบชอบจับผิดคนอื่น ชอบชี้นิ้วเลยชี้คนอื่นับในครอบครัวท่านบอกว่าก่อนแต่งงานควรลืมตาทั้งสงข้างแต่ว่าแต่งงานแล้วก็ปิดเสียข้างหนึ่งครับเพื่อไม่ต้องมองดูข้อผิดพลาดปกครองของอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปเออที่บางคนก็บอกอ่ะเห็นทําเป็นไม่เห็นบ้างได้ยินเป็นทําเป็นไม่ได้ยินบ้างครับไม่บอดทําเป็นเหมือนบอดไม่หนวกทําเป็นมันโง่ก็มีลิงอุดทูอุดปาก อ่าอุตติตาเนี่ยอาจารย์นะที่มีคนวาดโลกกันะฮะครับก็ที่ว่าเอคนเขาจับลิงมาได้ตัวหนึ่งครับแล้วก็มาอยู่กับคนชะนานหลายเดือนพอกลับไปพอกลับไปป่าไอ้พวกลิงด้วยกันก็มาล้อมถามว่ามนุษย์เขาพูดอะไรกันบ้างแล้วก็ลิงตัวที่มาอยู่กับมนุษย์ก็ก็ล่งให้ฟัง ลิงพวกนั้นก็อุดฝูร์ังไม่ไหวลิงก็อุดฝูร์สังไม่ได้เลยอโอ้ยก็พูดกันอย่างนี้เฉยเลยเขาเป็นนิทานํเก่าๆนะครับไอเป็นลิงหรือคนฉลาดหนบ่งไปผมขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมว่าเพื่อจะไม่ให้มองดูข้อผิดพลานปกครองของฝ่ายหนึ่งมากเกินไปทีนี้ก็ นอกจากนี้แล้วก็เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยความสุภาพอ่อนโยนและเห็นใจพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกลูกไม่เข้าใจพ่อแม่คือว่าถ้าทุกคนถือเอาตนเป็นจุดศูนย์กลางของความถูกต้องก็จะต้องลุกรานเสรีภาพของผู้อื่นและผู้อื่นก็จะลุกรานเสรีภาพของผู้อื่นต่อไปต่อต่อกันไปต่างคนต่างก็เป็นนรกของกันเล่นกันอย่างที่ อชองปอนซาร์นักปราชญาฝรั่งเศสได้เคยกล่าวเอาไว้ว่านารกคือผู้อื่นนรกคือผู้อื่นนี่ในบทละครชนโนเอ็กซิของของชองปอนซาร์คืออย่างที่กลอนของเราที่มีคนเขาเขียนว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาเป็นภูเขาโทษขอ ง, ของเรามองเห็นเป็นเท่งขน ใชไมฮะมองไม่เห็นเท่าเส้นคนมองไม่เห็นเท่าเส้นคนมองไม่เห็นเท่าเส้นคนคตดคนอื่นเม้นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรับก็ของท่าะได้แล้วคุณแจ่มนะฮะของท่านท่านฐานฐานานฐานฐานสมแจ่มวัดตาขันโลขับใช่ครับใช่ทีนี้ก็ประการที่สองนะครับประการที่สอง ความคิดอันตรายประการที่สองทำผิดจนเป็นนิสัยเข้าใจผิดคิดว่าเข้าใจผิดคิดว่าตัวเขาเป็นคนเลวเพราะโชคไม่ดีถ้าเป็นคนเลวเป็นคนตกต่ำก็เพราะโชคไม่ดีเพราะชะตาชีวิตกำหนดมาให้เป็นคนอย่างนั้นจึงปล่อยแล้วก็ไม่ยกตนเองขึ้นจาก ลมของหายันนะก็อันนี้ก็เป็นไม่ยกตนเองขึ้นมาจากความผิดพลาดปกครองอันนี้ก็ทำผิดจนเป็นนิสัยนะครับก็ทำผิดเป็นนิสัยแล้วก็มัวคิดจะว่าที่ผิดนั้นเพราะโชคไม่ดีแล้วก็ไปโทษชะตาชีวิตไปโทษชะตาชีวิต ทีนี้มาถึงตรงนี้ผมขอตั้งปัญหาเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังลองลองโทรเข้ามาวิจารณ์ดูก็ได้นะครับว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยมีหรือไม่มีทีนี้ถ้าถ้ามีอะไรเป็นตัวกาหนดแล้วก็แก้ไขได้หรือไม่อันนี้ก็ขอขอตั้งเอาไว้เป็น ปริศนานะครั บ, รบว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชะตาชีวิตมีหรือไม่มีหรือไม่มีถ้ามีถ้ามีอะไรเป็นตัวกาหนด uh huh. แล้วก็สามารถจะแก้ไขได้หรือไมออ่ประการที่สามนะครับการที่สามความคิดอันตรายประการที่สามทำร้ายตนเองคิดทำร้ายตนเองอ่อนแอวิ่งนีปัญหา ไม่เคยคิดแก้ปัญหาคนที่มีความรู้และก็อาจมีความสามารถแต่ไม่ใช้ความรู้ความสามารถให้สมกับที่มีก็จะไม่ได้รับการยกย่องแล้วก็อาจอยู่ไม่ได้ในโลกในโลกที่สับสนของเรารอาจอยู่ไม่ได้ผมขอเล่าเรื่องประกอบนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับขอเวลาดินหนึ่ง หญิงคนหนึ่งนะครับมีลูกปากแหว่งมีลูกออกมาปากแหว่งเป็นทุกจนคลั่งแล้วก็ฆ่าลูกตายแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปด้วยทั้งๆที่หมอก็ยืนยันนะครับว่าปากแหว่งอย่างนี้วความรู้ความสามารถทางสรรยกรรมของแพทย์สมัยใหม่เนี่ยสามารถจะทำให้หายได้เป็นปกติได้แต่ก็ไม่ฟังเสียงใคร ผู้หญิงคนนี้เป็นทุกเป็นทุกอย่างหนักเสียใจอับหายในที่สุดก็ทำร้ายตัวเองนีปัญหาความจริงปัญหาอย่างนี้แก้ไม่ยากถ้าอดทนเส้นหน่อยใจเย็นเส้นหน่อยยังมีปัญหาอื่นอีนอกมากมายที่สามารถจะแก้ได้ด้วยความอดทนมีปัญหาและคิดสู้ปัญหาเพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วอุปสรรคจะมีมาก แค่ไหนก็ยังน้อยกว่าที่เราเก็บมาคิดกังวลใจครับผมขอซ้ําตรงนี้ทีนะครั บ, รบว่าอุปสรรคจะมีมากแค่ไหนก็ยังน้อยกว่าที่เราเก็บมาคิดกังวลใจในผู้ศรัสนานะครับพระพุทธเจ้าจัดว่าคนสองคนทําความชั่วเหมือนกันได้รับผลไม่เท่ากันคนหนึ่งได้รับมากอีกคนหนึ่งได้รับน้อยเพราะคนสองคนต่างกัน รือว่าคนที่ได้รับผลมากเพราะเป็นผู้ที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศรีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญามีคุณธรรมน้อยมีจิตใจครับแคบมีปกติอยู่เป็นทุกข์แม้โดยเรื่องเพียงเล็กน้อยอันนีกว่าอัปปะทุกขา ว, วิหารีมีปกติอยู่เป็นทุกข์แม้โดยเรื่องเพียงเล็กน้อยอะไรนิดอะไรหน่อยก็เก็บมาเป็นทุกข์มาทั้งว น, งวนใจเขาเรียกว่าทุกข์ง่ายสุขยากครับใช่ครับ เผาตัวเองทำร้ายตัวเองส่วนคนที่ทำชั่วเหมือนกันแต่ได้รับผลชั่วน้อยก็เพราะว่าเป็นคนที่ได้อบรมได้รับการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นคนมีคุณธรรมมากมีจิตใจกว้างขวา ง, วางมีใจใหญ่มีปกติอยู่ด้วยธรรมมีเมตตาเป็นต้นนะครับหาประมาณมิได้อันนี้เรียกว่าอัปปะอัปปามะวิยารีอยู่แบบอยู่แบบไม่ประมาทอยู่แบบ ออยู่ด้วยคุณธรรมที่หาประมาณไม่ได้อออมีเมตตาอัปประมาณนะอัปประมาณนะไม่ใช่อั ป, ประมาณธาตุนะไม่แยกกับอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรมมีเมตตาเป็นต้น <S S ออครับที่หาประมาณไม่ได้ ป, ประมาณไม่ได้คอัปปรมรัญญานะครับร ค, ค่ะคนอย่างนี้ถ้าทําดีเท่ากับคนแบบข้างต้นเนี่ย ค, ครับก็จะได้ดีมากกว่าเพราะว่ามีเครื่องรองรับดีมากกว่าครับ อพอดีได้เวลาพอดีครับ<ช>ผมขอตอนนิดหนึ่งครับอย่าสักสองหนึ่งนาทีความลับอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่ดีนะครับคือความฉลาดและความกล้าหาญที่จะเอาชนะความทุกข์และความผิดพลาดมีบางคราวที่เราต้องทิ้งตันหาไว้ก่อนแล้วก็หันไปทำสาธารณประโยชน์ปล่อยให้ปัญหาที่เหลืออยู่คลี่คลายไปเองแล้วก็หัวเราะเยาะตัวเองเสียบาง สมน้าหน้าตัวเองใชบป่ะสมน้ำหน้าอยากโง่นะครับพร้อมกับเสียงวเิละเป่าๆของเราเองเออทีบางคราวจําเป็นต้องนึกว่าเราเป็นเพียงตัวตลกตัวหนึ่งของโลกเท่านั้นเองกับผมอวันนี้ขอขอพูดเท่านี้ครับครับมใครก็อาจารย์เปิดสายได้ครับท่านผู้ฟังที่เขารอแคขนานี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมารุสมัยท่านอาจารย์วศิณได้นําเรื่อง โยนิโสมาณสิกานมาพูดต่อจากเมื่อวันพุธรหัสที่แล้ววันนี้ท่านพูดถึงเรื่องความคิดอันตรายสามประการประการที่หนึ่งก็คือไม่มองดูไม่พูดถึงความผิดของตนเองคอยมองดูคอยพูดถึงความผิดของของคนอื่นในประการที่หนึ่งอันตรายประการที่หนึ่งอันตรายประการที่สองทาผิดจนเป็นนิสัยเข้าใจผิดคิดว่า ตัวเองผิดเพราะโชคไม่ดีเลวเพราะโชคไม่ดีโทษชะตาชีวิตแล้วก็ในข้อนี้ถ้าอาจารย์ตั้งปัญหาไว้ว่าชะตาชีวิตของคนมีจริงหรือไม่ถ้ามีอะไรเป็นตัวกําหนดแต่ก็จะแก้ไขได้ไหมไอชะตาชีวิตที่ว่าเนี่ยเนี่ ย, ยถ้าใครตอบได้มาตรงนี้มารับรางวัล <c oughs> <c oughs> ประการที่สามมีคนจะมาแจกเยอะใช่ไหมคุณเอ๋นะถ้าคิดทําร้ายตนเองจึงหนีปัญหาอไม่แก้ปัญหามีความรู้ไม่ใช้ความรู้แก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นความคิดอันตรายสามประการที่ท่านอาจารย์วสินได้นําเสนอในวันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านทูกฟังมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็เชิญนะครับข่าวคุณเกษมมาเร็วสวัสดีคุณเกษมครับ อาจารย์วสินอาจารย์กมนอาจารย์ของขาวครับผมเซมหรือกระเซมกระซมก็ได้ครับได้สองสองอย่างเนี่ยครับผมคือที่อาจารย์ถามเอาไว้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับแต่ผมไม่ต้องตอบทีนี้นี้ผมเข้าใจว่าพุทธธรรมได้อธิบายให้ผมทราบว่ามนุษย์เนี่ยต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองใม่ว่าดีหรือร้ายนะครับการกระทําที่ทําไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลทางภายนอกทางสังคมอะไรหรอก แต่ว่าจิตใจที่เรารับเนี่ยที่เรารู้เนี่ยมันส่งผลถ้าเตาเริ่มเริ่มต้นที่เราก็ทําสิ่งนั้นจบไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้เรารับผิดชอบตัวเองเพื่อป้องกันการกล่าวโทษว่าเป็นกรรมเก่ามาจากอดีตหรือว่าเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเขาลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คนให้โทษเราหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรทําเลยเป็นเรื่องของโชคเรื่องของวัฒนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รวมความแล้วว่า ชะตาชีวิตเนี่ยมันมันมันอยู่มันอยู่ที่การกระทําของเราเองใช่แล้วก็ผมคิดว่ามันอยู่ที่การกระทําตัวเราเองเนี่ยแต่เราก็ต้องรู้ว่าไอ้การกระทําตัวเราเองมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นซึ่งทำให้แราครับเราสร้างชะตาชีวิตใช่ไหมครับผมเรามันทึงมีคําพูดที่ว่าตัวของตัวเนี่ยเป็นที่พึ่งของตัวอะไรอย่างเงี้ยทำหนอยใช่ไหมครับเราจะทําอะไรครับสมมติว่าเราจะเป็นโจรสมมติผมเป็นโจรเนี่ยแต่ว่าเหตุปัจจัยเนี่ยหมู่บ้านผมเนี่ยไม่มีใครที่มี มันยากโจนกันหมดเลยความเป็นโจนผมก็อาจจะไม่สามารถจะทำให้เป็นความสําเร็จได้ถูกต้องไหมครับครับเพราะความรู้สไกเป็นต้นข่ายโจนไมาแต่ทีนี้แต่ว่าไอความรู้สึกของความเป็นโจนเราก็มีอยู่แล้วรเรามีโอกาสเราก็ทําเราอาจจะไม่ถูกจับไม่ถูกอะไรแต่ว่าในใจเรารู้อยู่แล้วผลทั้งจิตใจเราได้รับอยู่แล้วคใช่ไหมครับครับผมทีนี้การแก้ผมคิดว่าเมื่อเราเราก็ทําเองได้มันก็ต้องมีการกระทําที่สามารถจะแก้ไขได้ไม่งั้นคง คงคงฝึกคนกันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับครับครับครับทีนี้เออผมมีปัญหานิดหนึ่งตรงที่ว่ามีคำที่ว่าโยนิโสมณัิการเนี่ยท่านกล่าวถึงการหาทรัพย์และการใช้ทรัพย์เนี่ยท่านกล่าวว่าแม้คนที่ที่หาทรัพย์มาด้วยความไม่ชอบธรรมเนี่ยแต่ว่าใช้ทรัพย์นั้นเพื่อประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนอื่นรู้จักแจกจ่ายทรัพย์ท่านบอกว่าคนเหล่านี้ยังได้รับขันชมเชย มีตำหนิอยู่ข้อเดียวคือตำหนิที่ว่าหาทรัพมาโดยไม่ชอบธรรมานันเองผมไม่ทราบว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยแสดงว่าเราข้สามารถที่จะชมเชยคนที่หาทรัพมาด้วยความอะไรอย่างเป็นนักการพ น, นันเจ้าของบอนหรือว่าท้าขายเอาเปรียบอะไรนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ไม่ได้ครับไม่ไม่ได้คือว่าท่านจะตำหนิในเรื่องการวิทยา วิธีใช้ท่านจะตําหนิในเรื่องวิทยาครับผมวิทยานั้นไม่ชอบทำท่านตําหนิถ้าตําหนิตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่บอกว่าท่านบอกว่าให้ชมหนึ่งส่วนให้ให้ชมสามส่วนตําหนิหนึ่งส่วนอันนี้ผมไม่เข้าใจตรงนี้ว่าตําหนิยังไงถ้าชมอย่างไรเพราะถ้าชมก็แสดงว่าเขายังมีความดีอยู่ถูกต้องไหมครับคือว่าคือว่าชมตรงที่ว่าใช้ทรัพย์ใช้ทรัพย์เป็นประโยชน์ครับผมคือว่า่าตรงนี้ตรงนี้น่าชมตรงที่ใช้ทัพย์เป็นประโยชน์ใช้ทรัพย์เป็น แต่ว่าตอนที่หานี่ใช้ไม่ได้หาโดยทางโดยทุจริตออนี้ไม่ได้ใช่ใช่ครับครับไม่ครับผมกราบขอบคุณอาจารย์เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับแต่ถ้าหากว่าไปเอาความคิดนี้มาใช้เดี๋ยวก็คนก็ไปปล้นเข้ามาแล้วก็เอาไปทำบุญก็จะเดือดร้อนกันใหญ่เพราะนั้นการแสวงหาครับก็ต้อง ได้มาจากสัมมาอาชีวะนะครับใช่ครับใช่ครับแต่ไปมิจฉาอาชีวะเนี่แต่มันเริ่มต้นก็ผิดละไม่ได้ท่านทำหนี้ครับทำหนี้ก็ผิดหลักการครับสุนงรภพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับีอาจารย์ทองขาวครับสวัสดีจามสินด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมอยากจะถามเรื่องในขณะจิตหนึ่งนี่ยฮะสร้างกรรมได้กี่อย่างครับได้อย่างหนึ่งหรือเปล่าครับ ก็ขนาดจิตหนึ่งก็ทําได้อย่างเดียวในกรรมหึใช่ไหมฮะได้อย่างเดียวครับคือผมอยากจะโยงไปในเรื่องกรรมสี่หน่อยนะครับครับในกรรมข้อที่สามเคยถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าคนละวันหนึ่งเนี่ยชั่วดีปนกันใช่ไหมฮะอ่ามีกรรมดํากรรมกรรมดํากรรมขาวแล้วก็กรรมทั้งดํําดาขาวปนกันครับม่คือเช่นข้อที่สามต่อแบบเนี้ยจะไปขัดแย้งกับข้อข้อที่คำถามจุงถามไหมฮะจะเป็นการละเลยว่าในขณะจิตหนึ่งมันทําได้กรรมเดียว แต่ ว, วันหนึ่งเราทำไอ้กรรมนี้เราก็หลายหลายขนาดจิตมาปนกักนกรรมทั้งดําทั้งขาวคือว่าทําทําคนละขนาดแต่เขาทําทั้งสองอย่างทำทั้งสองอย่างก็เป็นคนละขนาดจิตไปด้วยคนละขนาค ด, ด ค, นนาครับแต่ว่าทําทั้งสองอย่าง